ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สามมีนาคม2556มีชื่อเรื่องว่าเดียรถีขี้ตูเมื่อวานวันที่สอง มีนาคมพุทธศักราช 2,556 หนละวงพ่อเองไปเทศในงานศพของพระอาจารย์รุ่น น, ะน้องบัวบานพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมวาดูรู้จะเป็นหมื่นมัน้งพระคงจะเป็นพันพระเยอะเมื่อวานนะแต่อากาศร้อนไปสักหน่อยหลวงพ่อก็ได้พูดกล่าวสังเวทนิยกถานะ สังเวธนิยกถาก็คือกล่าวเรื่องของความสลดสังเวทความตายสังเวสังเวชสังเวทธนิยกถากล่าวเรื่องความสลดสังเวทใจหลวงพ่อก็ยกบาลีว่ามรนังเมภวิสติขยะวยธรรมมาสั่งฆาราอัปปมาเดนะซัมปาเดทาติจากนั้นหลวงพ่อก็บรรยายแต่ทั้งหลวงพ่อก็บอกว่า สรุปแล้วก็คือให้พวกเราคิดดีทำดีพูดดีจะเป็นสิริเป็นมงคลกับชีวิตของพวกเราถ้าว่าพวกเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเป็นอัปะมงคลถึงจะมีอายุยืนยาวแต่มีแต่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีบาปอากุศลก็จะพอกพูนกับคนคนนั้นกับดวงวิญญาณนั้นแต่ถ้าหาว่าพวกเราเกิดมาอายุยืน คิดดีทำดีพูดดีบุญกุศลทั้งหลายก็จะพอกพูนกับผู้ที่สั่งสมแต่คุณงามความดีพอกพูนเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราต้องคิดให้ดีทำให้ดีพูดให้ดีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมคิดดีนั่นคืออะไรคิดดีคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาคิดไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกตามทำนองครองทำอันนี้ว่าคิดดี ทำดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็พูดดีก็พูดไม่พูดส่อเสียพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้ออันนี้ก็คือพูดดีนี่แหละถ้าพูดไม่ดีทําไม่ดีนั่นคืออะไรคิดไม่ดีนั่นคืออะไรถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีตกนรกเป็นเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไว้อย่างนั้น าการพูดไม่ดีหลวงพ่อก็เลยยกว่าสมัยครั้งพระพุทธเจ้าการที่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีนั้น เ, เป็นพ้นทางแห่งนรกหลวงพ่อก็เลยยกเป็นชาดกขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องราวขึ้นมาสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีคราวนั้นพวกเดรธีคือคนนอกศาสนา เ, เห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา คนทั้งหลายก็นับถือพระพุทธเจ้ามากพระพุทธเจ้ามีอติเลขาลาภเพราะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสพวกเดรัจฉีนี่ก็นอกศาสนานี่ก็หมดเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นมาแสงหิงห้อยก็หมดหมดลัตหมดราศีเพราะเหตุไรเพราะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ก็คือเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญบา ร, รมีบุญหนักศักย์ใหญ่ อุบัติขึ้นในโลกพวกอื่นก็ลิปลี่ลงไปเพราะเหตุไรเพราะบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าจากนั้นพวกเดรัจฉีท่านก็วางแผนวางแผนที่จะฆ่าที่จะทําหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าจะทํำยังไงวันหนึ่งเท่าก็คิดประชุมกันเดรัจฉีเขาก็ประชุมกันประชุมกันคนชั่วกมีแผนเหมือนกันนะคนดีก็มีแผนคนชั่วก็มีแผนเอ เขาประชุมกันเอ๊เราจะทำยังไงจะกำจัดส ม, มณะโครมให้หมดบุญบา ร, รมีหรือว่าให้หาเรื่องใสให้จมไปเลยเนะี่ยให้ให้คนทั้งหลายไม่นับถือเรื่องใสนะเนี่ยมีไหมเขาก็วางแผนกันวางแผนเสร็จแล้วก่อนวันหนึ่งก็เห็นนางสุนทรีมานางสุนทรีเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามในเมืองสวัสดี มากับพวกเดลทธีก็หันหลังให้เจ้ทําท่าไม่ทักไม่ท้วงไม่เหมือนแต่ก่อนนะเพราะหาเรื่องเนี่ยนางสุนทรีเนี่ยก็เออทาไมพระพูเป็นเจ้าของข้าเนี่ยแต่ก่อนมาทีไรท่านก็ยิ้มแย้มแจม่แจมใสทักท า, า, ายปาใส่แต่คราวนี้ทําไมไม่พูดไม่ทักทายเลยเป็นเพราะอะไรนางสุนทรีเนี่ยเลยถามพระพูเป็นเจ้ามีเรื่องหนักใจอะไรไหมใครข่มเหงเบียดเบียนท่านพวกท่านไหม หรือถือตัวฉันรัวตัวฉันทำให้พวกท่านไม่สบายใจท า, ทางเดรธีเหล่านั้นก็บอกว่าสุนทลีเธอเห็นไหมเดี๋ยวนี้สมณะโครมเป็นผู้มีบา ร, รมีขึ้นมาพวกเราเหมือนกระหิงห้อยแล้วพวกเราจะจัดการยังไงแล้วพวกเราจะทำยังไงจะคิดยังไงทางนางสุนทลี่าเอ้าพระคุณเจ้าพระคุณท่านจะจะให้ฉันทำอะไร เพระคุณท่านก็บอกมาดิฉันจะทําได้ทุกอย่างทางเดลทีเออเอาวางแผนนะให้นางสุนทะเลเวลาเห็นพุทธบริษัทเดินเข้ามาวัดตอนเช้านางสุนทะเลก็ทําท่าหนุ่งผ้าอะไรเดินผ่านออกไปแต่เัดนตอนเย็นพุทธบริษัทเดินเข้ามานางสุนทะเลก็เดินออกไปถ้าว่าคนออกไป นางจุนทลีก็เดินสวนทางเข้ามาตอนเย็นไคล้ายๆกับาหาเรื่องที่จะเป็นมลทินกับพระพุทธศาสนาเป็นมลทินกับพระพุทธเจ้าว่านางสุนทลีเข้ามานอนกับพร ะ, ยงงยะรอย่างงุ้งอย่างงี้ลักษณะอย่างนั้นเพื่อให้เสื่อมเสียนะจากนั้นก็ปอมมาแลวก็พวก เ, เดรถีพวกนั้นมันไม่มใช่เพียงแค่นั้นนลเอาเพียงแค่นี้ไม่พอแล้ว เมื่อเข้าไปอยู่กับสำ ม, มัญะในวัดแล้วควรจะฆ่านางสุนทรีให้ตายเพื่อหาเรื่องให้หนักแน่นขึ้นอีกเนี่ยแต่นางสุนทรีไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าตัวเองใช่เอออันนี้ก็พวกเดลัจฉีเขาก็วางแผนไปจ้างนักเลงนักเลงหัวไม้ในท้องถิ่นเนี่ยมากิดเอาฆ่านางสุนทรีฆ่าแล้วหมกไว้กองดอกไม้นะนะ คือคนที่เข้ามากราบพระพุทธเจ้าแต่ละวั น, นใครก็ถือดอกไม้มาเป็นเครื่องเคารพสักการะพอมาแล้วก็บูชาพอบูชาแล้วก็ขนดอกไม้ไปไว้กองกองไว้กองกองใหญ่กองมบันเทิงพาคนหลายร้อยหลา ย, ลายพันหลายหมื่นหลายแสนแต่ละวันมากราบพระพุทธเจ้าจะให้พวกนักเลงหัวไม้ก็อนเตร็ดถีจ้างมาแล้วก็ฆ่าเลยท่านพอฆ่านางสุนทรีพอฆ่าจะเลิกเอาไปหมก ไว้ในกล่องไม้กองดอกไม้ที่หน้าวัดป่าเชตตะวันจากนั้นก็พกเดลทีก็ทําท่าโวยวายขึ้นมาเอ๊ะนางสุนทรีไปมาหาสู่พวกเราไปไหนใครเห็นบ้างคนเหนือเคยเห็นไปวัดป่าเชตะวันแหละตอนเช้าตอนเย็นเห็นผ่านไปสงสัยจ ะ, จะถูกทำร้ายชะละมั่งข่าวนี่โวยวายขึ้นขึ้นมาโพนจุดกันตัวเองเป็นคนทําใช่ไหมก็รู้เราไปหมกไว้ที่ไหนฮ เนีพระนิสุกก็ไปเขี่ยในกองดอกไม้ก็ไปเห็นอยู่ที่นั่นอ้าวอยู่ที่นี่พออยู่ที่นี่จะเกิเอาขึ้นเสลียงแล้วก็หามศพและท่านแห่รอบบ้านรอบเมืองสมมณะโคโดมทุกศิษย์สมนะโคโดมฆ่านางสุนทลีมีเรื่องมีราวจนแห่ไปถึงพระเจ้าแผ่นดินเพระเจ้าแผ่นดินท่านก็อึง้งพรท่านเคารพนับถือพระพระทุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยท่านเออเอารับไปก่อนไปพวกท่านกลับไป เอาจบไปนี่ก่อนเขาก็เก็บไว้ในป่าชา้าผีดิบรักษาไว้อย่างดีนะจากนั้นก็พวกเดรัทีก็ประกาศไปเลยทั่วบ้านทั่วเมืองนะส ม, มณโครมทำความชั่วและปิดความชั่วของตนเองเห็นไหมเนะ่ะใครจะไปนับถือเรื่อมใสนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะส ม, มณโครมนะเห็นไหมนะ่ยข้านางสุนทรีไปหมกไว้ที่กองดอกไม้คนทั้งหลายผู้ที่ จิตใจไม่เที่ยงตรงจิตใจที่ยังหวั่นไหวอยูออ่ยังไม่เป็นพัสดาบันพูดง่ายๆก็อึ้งใช่ทำไมสมณะโคโดมหรือ ก, กับลูกศิษย์ถึงทำได้ขนาดนี้แต่ผู้ที่เป็นพัสดาบันอะไรต่นี้นเขาก็เชื่อมันพระพุทธเจ้าไม่ทำอย่างนี้เด็ดขาดมันต้องมีเรื่องราวแน่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีพระพุทธเจ้าท่านปฏิบั ต, ร ต, รตริตองดังในมรรคผลนิพพานของท่าน เรารู้แก่ใจท่านจะไม่ทำอย่างนี้เด็ดขาดเนะ่ยอันนี้คือเป็นอริยะสาวกนะความเชื่อมั่นมีในใจของของ ส, สาวกเออทีนี้ต่อมาเนะี่ยพระเจ้าปเสนเนี่ยส่งจาระบุรุษธค์คือคือบุรุษสันติบาลนะไปทุกหัวแหแห่งเลยทนะีนี้ไปสืบสอบทุกหัวแหแห่งว่า ม, มันเรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้นะเออ ศาสนาเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันจะปล่อยไปแล้วเลยไม่ได้ต้องสืบสอบนะพวกนักประ ก, กาศเป่ า, เาไปเรื่อยเลยสมนะโครมฆ่านางสุนทรีหมกยิ่ที่กองดอกไม้ฮะ้แต่นี้พอต่อมาสอบไปสอบมาเนะี่ยพวกนักเรงที่ฆ่านางสุนทรีเนะี่ยอพวกดีรัฐีเอาเงินให้นเนี่ยพ อ, เ, อเงินให้ได้เงินมาเสร็จแล้วก็ไปซื้อเหล้ากินนะนะเอาเหล้าเข้าปากแล้วทีนี้มันมันไม่มีความลับแล้วเนี่ยแต่นี้ พอกินเหล้าเข้าไปแล้วก็เอ้ยกูเองลงมือนางฆ่าฉุนทะเลเองไอ้คนที่สองอา้าวมึงจะว่ามึงฆ่าคนเดียวเหรอกูก็ช่วยมึงเหมือนกันกูก็ไม่แพ้มึงนะกูกับคนหนึ่งเหมือนกันเอ้นักเลงเหล่านั้นก็มีแต่อวดศักดา ข, ขึ้นมาท่นี่ว่าข่าเป็นคนเก่งคนกล้าทั้งหมดท่นี้เอ้ตำรวจสันติบาลเขาก็รวบรัวหมูเด็กก็เล่าไปจับทั้งหมดเลยพอจับทั้งหมดเสร็จแล้วก็ ใครเป็นคนว่าจ้างแก่พวกมึงเออพวกนักเลงหัวไม้ก่หัวหน้าเดลทีแล้วเอพระเจ้าพระเจ้าไปเร่งจับพวกเดลทีมาอีกเถอนี่ยจับมาทั้งยวงเลยนะพอจับมาทั้งยวงก็มาสืบสอบด้วยความได้ตามความเป็นจริงเอเจ็ดแล้วกันนะให้พวกเดรทีหามนางสุนทลีขึ้นมาประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองอีกเหมือนกันนะ พวกข้าทำเองพวกข้าวางแผนเองจะไม่ใช่สมณะโค o มเป็นเป็นคนกระทำข้าพระเจ้าเป็นผู้รับเองผลในสุดก็นะพระเจ้าเป็นดีก็เลยโทษประหารทั้งหมดทั้งเดเลถีด้วยทั้งนักเลงหัวไม้ด้วยโทษประหารพวกข้าคนอื่นนี่แหละตอนที่ประกาศนว่าพระสงฆ์ทั้งหลายก ร, กระเถินเหมือนกันนะ ประสงค์ที่เป็นปุถุชนน่ะเป็นพระพระเขาด่าทั่วหัวเมืองต่างๆไม่ใช่แต่ดงกรงสาวัถีเท่านั้นพระเสียงดังไปที่ไหนเขาก็ดา่าส ม, มณะโขดรมทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายถ้าใครก็ตามใส่ตูพระพุทธเจ้าไม่เกินเจ็ดวันเดี๋ยวเรื่องสงบอันนี้เราบำเพ็ญบารมีมาแล้วเพื่อคุ้มครองปกป้องโลกจะไม่เกินเจ็ดวัน ใครข้อตามใส่ตูด้วยความไม่เป็นจริงคนนั้นแหละจะไปสู่นรกเป็นประตูเปิดประตูนรกให้กับคนคนนั้นถ้าคอยดูพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในความสงบอันนี้คือเพราะพระพุทธเจ้าสั่งสั่งพระสงฆ์ในสมัยนั้นผลทีส่สุเป็นอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้จริงนี่แหละการใส่ตู่คิดไม่ดี ถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแล้วนรกเป็นเบื้องหน้าในภพนิชานนี้ก็หายยนะมาสู่ตนเองเพรา ะ, ะนั้นการที่จะคิดจะพูดจะทําสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้ดีให้เป็นศินเป็นธรรมคิดเพื่อศิลคิดเพื่อทำพวกเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแล้วมีแต่หัวหนทางแห่งความจิบหายนี่แหละในในิทานหรือว่า เรื่องเราในครั้งพุทธกาลที่ได้สาธกแสดงมาพระพุทธองค์กับอุปมาอุปไมยหรือว่าเปรียบเทียบให้ฟังถ้าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีแล้ว เ, เบื้องหน้าคือนกรกพระพุทธองค์ตัดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านคนะณะสัตยาติโยมจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรในวันเดือนหกเพน ปุเพในวาสานุจติยานจุตูปปาตยานอาสาวกยยะยานนี่แหละปุเพในวาสานุจติยานระลึกชาติโขนหลังได้เพราะฉนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนให้คิดเลยว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจาา้านั้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติโขนหลังได้อย่างไรระลึกชาติโขนหลังได้ก็เพราะว่ามีชาติที่แล้วมีชาติก่อนมีหลายร้อยร้ายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติ อย่างชาดกและจุดตาาูปปาตยญาณการจุดติของสรรพสัตว์ทำไมคนเกิดมาไม่เหมือนกันคนนี้คนรวยคนนี้คนจนคนนี้คนมีปัญญาคนนี้คนโง่คนนี้คนฉลาดแวดวงแต่และคนไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันเพราะกรรมกรรมคือการกระทำถ้าผู้ใดทำกรรมดีกรรมดีจะให้ผลไปในทางที่ดีถ้าใครทำกรรมชัว่วสิ่งที่ไม่ดี กรรมชั่วนั่นก็จะให้ผลไปในทางที่ชั่วที่เสียหายที่ทนทุกทรมานเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ า, าความชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําไปแล้วจะทําให้ตนเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้คือพระองค์จุตูตตตปะปาตยานดูสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่นี้มาเปรียบเทียบกับหลวงปู่มั่นของเราเอยหลวงปู่มั่นของเราที่ท่านสอนสิทธิอนุสิทธิ์ให้พวกท่านทั้งหลายภาวนานะ สมถะเนี่ยก็คือทำจิตใจให้สงบเนี่ยการที่จะทำให้จิตใจสงบให้ภาวนาวพทุทโธแต่หลวงปู่มั่นจะนำกรรมฐานมาสองอย่างประยุกต์ใช้อย่างพระพุทธเจ้าว่ากรรมฐาน40ทุกวันนี้มีครูบาอาจารย์ทุกสาขาที่หลายวัดว า, าศาสนาในเมืองไทยของเราต่า ง, งประเทศด้วยทั้งประเทศพรหมาชีลังกาที่เบตเจีน อ, อ, อะไรที่เขาสอนเรื่อง ภาวนามีมากหลากหลายแต่ไม่ผิดทุกได้ทุกอย่างเพราะกับกรรมฐานของพระพทุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้งสี่สิบอย่างและก็มากกว่านั้นอีกจะทำะยังไงถึงจะทำให้จิตใจสงบเป็นหนึ่งได้แต่หลวงปู่มันท่านเอากรรมฐานที่สอนลูกศิษย์ของท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาสายแนวนี้ท่านบอกเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธเวลาหายใจออกบริกรรมว่าโธ แต่ตาม่จริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า่าอาณาปานสติให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คืออาณาปานสติแล้วก็พุทธานุสติธรรมานุสติสังขารให้นึกถึงพุทโทรธธรรมโมสังโอนึกระลึกถึงศีลระลึกถึงทานระลึกถึงความสงบระลึกถึงความว่างและกําหนดกําหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้คืออนุสติสิ แต่หลวงปู่มั่นท่านเอามาสอกออมาออกมาสองอย่างเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทเอาพุทโทเข้ามาด้ว ย, ยกับลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมาฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านอบรมสั่งสอนสิทธิ์อย่างหลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่าตะกอนท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดามันหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่าย อมันคล้ายๆว่ามันแสลบออกไปได้ง่ายๆจากนั้นท่านก็เลยบริกรรมพดโธด้วยก็ได้ผลอได้ผลจริงจากนั้นะครูบาอาจารย์จึงแนะนําสั่งสอนไว้เวลาเรานั่งภาวนาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมว่าโธพดโธพดโธแต่อย่าไปเพ่งอย่าไปมีแต่กำหนดให้มีสติให้กําหนดให้รู้นี่แหละ ขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้กำหนดภาวนาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นสายขูบายจาย์พวกเราท่านทั้งหลายน่าจะตายใจได้นะน่าจะเชื่อถือท่านได้นะเพราะเหตุไรก็เพราะว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาขูบายจารต่างต่างที่ท่านล่วงรับดับขันไปมรณะภาพลงไปเนี่ยไม่นานเนะอธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราได้เห็นต่าหูต่า ต, ตาเนี ที่ตําใจของเราที่ว่าเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านภาวนาอย่างนี้ท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านรู้แจ้งเห็นธรรมอย่างนี้กระดูกกระดูกหรืออัติธาตุของท่านได้กลายเป็นวัฏฏาตให้พวกเราได้เคารพกราบไหว้สักการบูชาเออนี่คือกระดูกของพระอราหันต์พูดง่ายๆ่ฮะดันั้นขอให้พวกเราทุกท่านเนิ่นต า, น, าน่าจะตายใจได้น่าจะวางใจได้น่าจะยึดแนวแถว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาหลวงพ่อเองมั่นใจจึงได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราแต่สายอื่นมันผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามีทั้ง40อย่างที่ท่านได้พูดเหมือนกับวิชาอาชีพของคนเรานะคนนี้ทำนาคนนี้กรีดยางคนนี้ขายน้ำมันคนนี้ขายของชำคนนี้รับราชการ แต่หลวงปู่มั่นท่านเอาแขนงใดแขนงหนึ่งในวิชาอาชีพท ร, รมหาเลงชีพเน้นจุดนี้นะเออได้พวกเราก็เอเออตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านพาดําเนินแต่ก็ลูกพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเมื่อท่านพาดําเนินกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นประทาตอย่างพวกเราได้เห็นอีกทีนอี่พวกเราก็น่าจะมั่นใจนะหลวงพ่อว่านะนี่หลวงพ่อพูดลักษณะอย่างนี้แหละเมื่อวานเนี่ย เ, เพื่อ อ, อบรม บอกกล่าวให้แก่คณะสัตธา ญ, ญาติโยมที่มาฟังเมื่อวานเนีก็เลยมาขยายผลในวันนี้อีกให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะโนโมทนาให้พร